ธรรมกถาครั้งที่5ตอนสมถสองวิธีได้แสดงวิธีปฏิบัติฝ่ายสมถะคือให้ทำจิตใจให้สงบตั้งมั่นมาแล้วสองประการคืออาณาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างหนึ่ง กายคตาสติสติที่ไปในกายอย่างหนึ่งการทำสมาธิด้วยวิธีทั้งสองดังกล่าวมานั้นอาณาปานาสติมุ่งรวมจิตไว้เป็นหนึ่งให้รู้หายใจเข้าหายใจออกส่วนกายคตาสติสติที่ไปในกายมุ่งพิจารณาไปตามอาการของกาย มีผมขนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูเป็นต้นเพื่อให้ความปฏิกูลปรากฏตามเป็นจริงตอนาธาตุกรรมฐานจะแสดงอีกวิธีหนึ่งอันเรียกว่ า, าธาตุกรรมฐานคือการกำหนดพิจารณาโดยความเป็นธาต คำว่าธาตุในที่นี้คือส่วนซึ่งเป็นที่รวมโดยลักษณะที่คล้ายคลึงกันไม่ใช่หมายความว่าเป็นธาตุคือเป็นต้นเดิมกล่าวคือในกายนี้ส่วนที่เข่นแข็งก็สมมติเรียกว่าปฐวีธาตุคือธาตุดินส่วนที่เออบอาบก็สมมติเรียกว่าอาโปธาต คือธาตุน้ำส่วนที่อบอุ่นก็สมมุติเรียกว่าเตโชธาตุคือธาตุไฟส่วนที่พัดไหวก็สมมติเรียกว่าวายโยธาตุคือธาตุลมการพิจารณากายโดยอาการ31หรือ32ดังที่ได้แสดงแล้วในวันก่อนก็เป็นการจำแนกออกไปตามอวัยวะภายนอก อวัยวะภายในส่วนในการพิจารณาโดยความเป็นธาตุนี้ก็สรุปอาการเหล่านั้นเข้ามากล่าวคือตอนธาตุดินเกษาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังมังสังเนื้อ นหารูเอ็นอัฐิกระดูอัฐิมินชังเยื่อในกระดูวักกังไตหะทยังหัวใจยากนังตับกิโลมักังพังผืดปิหกังม้ามปัผาสังปอดอันตังไสใหญ่อันตะคุนังไสน้อยอุทริยังอาหารใหม่กรีสังอาหารเก่า และส่วนใดส่วนหนึ่งที่เข่นแข็งในร่างกายนี้ก็สมมติเรียกว่าเป็นปัทวีธาตุคือธาตุดินตอนธาตุน้ำปิดตังน้ำดีเซมหังเสเลดปบโพน้ำหนองโลหิตังน้ำเลือดเสโทเงือเมโทหมันข้นอัจสุน้ำตา วาสามันเหลวเขโลน้ำลายสิงคานิกาน้ามูละสิกาไข่ข้อมุดตังมูดและส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายนี้ที่เป็นส่วนเหลวเอิบอาบก็สมมติเรียกว่าเป็นอาโปธาตธาตุน้ำตอนธาตุไฟ เยนะสั้นตปติไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นเยนะชีริยติไฟที่ทำให้ร่างกายช้ำรุดสุดโทมเยนะปริไทยหติไฟที่ทำให้ร่างกายเร่าร้อนเยนะอสิตะปีตะขายิตะสายิตังสัมมาปรินามังคติ ไฟที่ทำให้อาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มย่อยและส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายนี้ที่มีลักษณะอบอุ่นก็สมมติเรียกว่าเป็นเตโชธาตธาตุไฟตอนธาตุลมอุดทงางคมาวาตา ลมพัดขึ้นเบื้องบนอาโทขมาวาตาลมพัดลงเบื้องต่ำกุชิสยาวาตาลมในท้องโกทสยาวาตาลมในใ้อังคมังคาณุสาริโนวาตาลมพัดไปตามอวัยวะน้อยใหญ่อัา ส, สาโสปัสาโส ลมหายใจเข้าลมหายใจออกและส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายนี้ที่มีลักษณะพัดไหวได้ก็สมมติเรียกว่าเป็นวายโยธาตคือธาตุลมตอนธาตุอากาศอันหนึ่งได้มีแสดงทา่าที่ห้าในพระสูตรอื่น คืออากาศธาตุธาตุคือช่องว่างในร่างกายอันนี้ได้แก่กันนัตชิดดังช่องหูนาสชิตทางช่องจมูกมุขทวารังช่องปากเยนะจะอสิตะปีตะขายีตะสายิีตังอชโชหรติช่องที่อาหาร ล่วงลำคอลงไปยัตะจะอาสิตะปีตะขายิตะสายิตังสันติทติช่องที่อาหารเก็บอยู่เยนะจะอาสิตะปีตะขายิตะสายิตังอโทภาคานิคมติและช่องที่อาหารออกไปในภายนอก หรือช่องว่างเหล่าอื่นในร่างกายอันนี้สมมติเรียกว่าเป็นอากาศาธาตุธาตุอากาศคือช่องว่างตอนแยกธาตุตัวตนโดยปกติคนเราย่อมมีความยึดถือร่างกายอันนี้ว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเรา เมื่อมาพิจารณาโดยความเป็นธาตุคือแยกออกไปว่าส่วนที่เข่นแข็งก็เป็นธาตุดินส่วนที่เออบาบก็เป็นธาตุน้ำส่วนที่อบอุ่นก็เป็นธาตุไฟส่วนที่พัดไหวก็เป็นธาตุลมและส่วนที่เป็นช่องว่างก็เป็นอากาศธาตุเมื่อเป็นเช่นนี้ตนหรือของตนที่ยึดถืออยู่นี้ ก็กลายเป็นธาตุและถ้าลองพิจารณาแยกธาตุเหล่านี้ออกไปทีละอย่างคือเมื่อพิจารณาดูส่วนที่เข่นแข็งอันเรียกว่าเป็นธาตุดินแยกเอาธาตุดินออกไปเสียจากร่างกายอันนี้ก็จะเหลืออยู่แต่ธาตุน้ําเป็นต้นเมื่อแยกเอาธาตุน้ําออกไปเสียอีกก็จะเหลืออยู่แต่ธาตุไฟเป็นต้น เมื่อแยกเอาธาตุไฟออกเสียก็จะเหลือแต่ธาตุลมเป็นต้นเมื่อแยกเอาธาตุลมออกไปเสียอีกก็จะเหลือแต่ช่องว่างไปทั้งหมดตอนวิธีแยกธาตการพิจารณาโดยความเป็นธาตุนี้จะพิจารณาตามที่ท่านแสดงไว้กล่าวมานี้ก็ได้ หรือจะพิจารณาโดยวิธีอื่นที่วิทยาศาสตร์ในบัทนี้ได้กล่าวไว้อย่างละเอียดจนถึงเป็นอนุหรือปรมนณูก็ได้เมื่อพิจารณาดูดังนี้และแยกเอาธาตุออกไปเสียทีละอย่างละอย่างในที่สุดสิ่งที่สมมุติที่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเหล่านี้ก็จะกลายเป็นอากาศธาตุ คือเป็นช่องว่างไปทั้งหมดไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีตัวตนของเราการพิจารณาธาตุกรรมฐานแยกร่างกายออกโดยความเป็นธาตุดังกล่าวมานี้จึงเป็นอุบายที่จะระงับความยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราและแม้ในภายนอกคือบุคคลอื่นสิ่งอื่น ก็คงมีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทําให้ไม่ยึดถือในบุคคลอื่นสิ่งอื่นว่าเป็นตัวเป็นตนทําให้เกิดความปล่อยวางทําจิตให้เกิดความสงบตั้งมัน่นนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในฝ่ายสมถะแต่ว่า สติที่พิจารณาไปในกายดังที่กล่าวมาแล้วในคราวก่อนก็ดีการพิจารณาแยกธาตุดังที่กล่าวในบัดนี้ก็ดีเป็นฝ่ายสมถะคือทำใจให้สงบตั้งมั่นด้วยเจือวิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยแต่มุ่งให้เกิดความรู้แจ้งขึ้นโดยที่ไม่ได้แกล้งจะให้เห็น เพราะว่าเมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นธาตุปรากฏขึ้นอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็จะเห็นสักว่าเป็นธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาทำให้จิตใจที่เคยหมกมุ่นอยู่ที่เคยเป็นทุกข์อยู่ในความเป็นตนในความเป็นของตนตลอดจนถึงในภายนอกพลอยสงบไปด้วย จึงเป็นเหตุให้ได้ความสงบใจความเย็นใจตอนนิ่งหรือคิดการกำหนดพิจารณาไปในกายและโดยความเป็นธาตุนี้จิตไม่ได้รวมเป็นหนึ่งเพราะต้องใช้พิจารณาส่วนอาณาปานสตินั้นมุ่งให้จิตรวมเป็นหนึ่ง ไม่ต้องพิจารณาการใช้วิธีไหนนั้นก็สุดแต่ความพอใจเพราะว่าจิตใจของคนเรานั้นในบางคราวก็ชอบหยุดนิ่งในบางคราวก็ชอบคิดเพราะฉะนั้นในเวลาที่จิตพอใจในการหยุดนิ่งก็ใช้อานาปานสติในเวลาที่จิตชอบเที่ยวคิดไปทางโน้น ชอบคิดไปในทางนี้แทนที่จะปล่อยให้จิตเที่ยวคิดไปภายนอกก็หาที่เที่ยวให้จิตภายในกายนี้กำหนดว่าเบื้องต้นตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบให้จิตเที่ยวอยู่ภายในกายนี้เท่านั้น โดยพิจารณาให้เป็นไปในกายหรือให้เป็นไปโดยความเป็นธาตุตอนกายเป็นตำรากรรมฐานการศึกษาในสมถะการศึกษาในวิปัสสนาก็ศึกษาที่กายนี้เท่านั้นก็คล้ายๆกับการเรียนเป็นแพทย์ตำราแพทย์เล่มใหญ่ ก็อยู่ที่ร่างกายอันนี้ศึกษาอยู่ที่กายอันนี้การปฏิบัติในฝ่ายสมถวิปัสนาก็เช่นเดียวกันศึกษาอยู่ที่กายอันนี้แต่มุ่งผลให้จิตตั้งมั่นสงบและให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวาง19สิงหาคม2504